อานามสยามยุดว่าด้วยกองทัพยสยามกรุงเทพได้ยกผนนิกายไปกระทำการศึกสงครามกันกัดลาวคุงขาวชาวเมืองเวียงจันท์เป็นต้นเหตุเดิมเริ่มแรกที่จะได้ก่อการศึกสงครามกันกัดขมิ้ยวนต่อไปเป็นศึกใหญ่ได้กระทำมหายุทธนาการในรัชกาลที่สามกรุงเทพเมื่อจุลศักราชหนึ่งปปีจออาศร ดังจะได้แสดงต่อไปนี้น า, ามสยามยุกตอนที่สองสงครามทุ่งสำริดฝ่ายพระยาประหัดไปด้วยเจ้าพระยานาครราชสีมานั้นแจ้งความว่าเจ้าอนุย ก, กองทัพลงมากวาดต้อนครอบครัวพลเมืองนครราชสีมาไปมากดังนั้นแล้ว จึงปรึกษากับเจ้าพระยาคนครราชสีมาว่าจะทิ้งครอบครัวเสียหมดไม่ไประวังรักษาครัวเห็นจะไม่ได้การไอเล่วจะทํายับเยินปนปี้เสียหมดจําจะต้องเพ ท, ทุบายไปเข้าด้วยเจ้าอนุเพราะหวังจะได้ระวังครัวกว่าจะได้โอกาสฝ่ายเจ้าพระยาคนครราชสีมาก็เห็นชอบด้วยความคิพระยาปลัดจึงได้ให้พระยาประลัดรีบยกมาบ้านเมือง ฝ่ายพระยาปรหลัดก็เร่งรีบมาทั้งกลางวันกลางคืนจนถึงเมืองนครราชสีมาจึงเข้าหาเจ้าอนุโดยดีแล้วแจ้งกับเจ้าอนุว่าเจ้าพระยานาครราชสีมาหนีไปอยู่เมืองขมิ้นเสียแล้วเพราะกลัวแต่ข้าพระเจ้าพระยาปรหลัดทิ้งครอบครัวไม่ได้จึงกลับมาบ้านเมืองเพื่อจะขอตามเสด็จเจ้าย่ำกระหม่อมไปอยู่เมืองเวียงจันด้วย ฝ่ายเจ้าอนุก็เชื่อถือถ้อยคำพระยาปรลัดแล้วเจ้าอนุจึงให้พระยาปรลัดและพระยาก ย, ยกระบัดทั้งสองเป็นนายกองควบคุมครอบครัวเมืองนครราชสีมาขึ้นไปเวียงจันทร์พวกครอบครัวเมืองนครราชสีมาออกเดินทางไปได้วันละเล็กวันละน้อยทางวันหนึ่งก็แกล้งเดินไปถึงสามสี่วันค่อยเดินไปช้าชา้าอันหนึ่ง เจ้าอนุคิดว่าครัวเมืองนครราชสีมาประชุมกันเป็นหมู่มากนั้นไม่ชอบคนจึงรับสั่งให้นายทัพนายกองไปจัดแยกออกเป็นหลายกองเพราะจะตัดกําลังไทยให้น้อยลงจะได้ไม่ได้คิดต่อสู้ราวได้ฝ่ายพระยาปลัดพระยายกกระบัดและพระยานรง์สงครามกลมกานจึงคิดอ่านเป็นกลอุบายแล้วจัดหญิงรูปงามสาวๆสว่สงไปให้นายทัพนายกองลาว ที่ควบคุมครัวนั้นทุกคนจนฉันแต่ไพ่พลลาวจะชอบใจผู้หญิงคนใดก็ไม่ว่าปล่อยให้พวกเราทำเล่นตามใจลราไม่ได้ว่าล่าวห้ามห่วงเลยครันเห็นว่าพวกลราหลงผู้หญิงมากนักและลรากับพวกครัวไทยรักใคร่สนิทเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นที่ไว้ใจกันไม่มีความรังเกียจแล้วเพราะจะทาการใหญ่จะจลาจลกับเราได้แน่แล้วพระยาปะลัดพระยายกกระบั พระนรงค์สงครามจึงขึ้นมามาหาเจ้าอนุที่ค่ายใหญ่แจ้งความกับเจ้าอนุว่าอพยศครอบครัวพลเมืองไปได้ความอดอยากนักจะขอมีดขวานสักยี่สิบสามสิบเล่มพอจะได้ตัดหน่อไม้ในป่ากินบ้างและขอปืนสักเก้าบอกสิบอกพอจะได้ยิงเนื้อในป่ามากินบ้างแต่พอเป็นสเสบียงเลี้ยงครอบครัวไปตามทาง เจ้าอนุไม่ทันจะรู้ในอุบายไทยจึงเห็นจริงด้วยตามความที่ปรับทุกข้อนั้นทุกประการก็ยอมอนุญาตให้ตามที่ขอครันไทยได้มีมีดขวานปืนไปแล้วจึงกลับไปหาครอบครัวที่ชุมนุมเมื่อหยุดพักครอบครัวที่ใดพระยาปรับพระยายกบัตพระนรงสงครามและกรมการพร้อมกันคิดปรึกษาว่าบัตดนี้คิดอุบายไปขออาวุธที่ลาว เราให้มาสมความคิดแล้วบัดนี้เราคิดการใหญ่จะฆ่าไอ้ลาวที่คุมครัวเราไปนั้นฆ่าให้ตายลงสิบ้างแล้วพวกเราจะได้เก็บเอาอาวุธที่ไอ้ลาวตายนั้นฆ่าฟันไอ้ลาวต่อไปเราจะได้ทำการจลาจนได้ดังนั้นแล้วจะได้กลับไปบ้านเมืองเรากรมกรารพร้อมใจกันเห็นทอบด้วยความคิดท่านผู้ใหญ่แต่พระนรงสงครามเป็นต้นคิด จึงสั่งกรมการผู้น้อยให้ไปเที่ยวกระซิบสั่งพวกครอบครัวเราว่าถ้าเวลาเย็นวันนี้ครัวเราเดินไปคงจะถึงท้องทุ่งสำริดจำเป็นจะต้องพักครอบครัวอยู่ที่กลางทุ่งสำริดเป็นแน่แล้วเราจึงนำเกวียนวงไว้ให้รอบครัวเราเว้นไว้เป็นช่องประตูสามด้านต้อนครัวเราเข้าอยู่ในวงเกวียนกันให้อ้ลาวที่คุมเรานั้นอยู่นอกวงเกวียน สั่งพวกผู้หญิงไทยให้ไปล่อพวกอ้ลาวให้ออกนอกวงเวียนให้หมดพวกผู้ชายฝ่ายเราจะได้ทำการได้ถนัดไม่ขีดขวางเพราะเดียวนี้ไอ้ลาวก็หลงผู้หญิงในครัวเรามากอยู่อ้ลาวสาโลนไปด้วยผู้หญิงยิ่งนักไม่เป็นการจะระวังครัวเราโดยกวดขันเราได้โอกาสช่องที่เป็นที่อยู่แล้วให้ขอแรงพร้อมใจกันเถิดครั้นเดินครัวไปถึงท้องทุ่งสำลิศแล้ว พระยาประหลัดพระยายกรบดพระนรงสงครามจึงพูดเป็นกลนอุบายกับไอ้ลาวนายกองนายหมวดนายหมูว่าบัดนี้เดินครัวมาถึงท้องทุ่งสำริ์เป็นเวลาเย็นจวนพบค่ำอยู่แล้วขอหยุดพักครัวอยู่ที่นี่ก่อนเถิดเพราะพวกผู้หญิงในครอบครัวเมื่อลาหย่อนกำลังลงเดินไม่ไหวจะตายเสียหมดสิน้นบ้างก็เจ็บไข้ลงบ้างแล้วเป็นความลาบากแก่ครัวหนักหนา ครั้นนั้นพวกผู้หญิงในครัวโคราชทําเป็นอาการกิริยาแกล้งทําเป็นเจ็บไข้เมื่อยล้าลงมากพร้อมกันฝ่ายพวกเรานายหมวดนายหมู่ก็เห็นว่าถ้าจะเร่งให้เดินต่อไปไม่ให้หยุดพักที่นี่เดินไปกว่าจะถึงเมืองเวียงจันทร์พวกผู้หญิงไทยก็จะตายมากพวกเรามีความอาลัยในพวกผู้หญิงไทยยิ่งนักจึงยอมให้ไทยพักครอบครัวในที่ท้องทุ่งสำริด ครันครอบครัวได้พักผ่อนครัวพร้อมกันแล้วก็ทําตามความคิดพระนรงสงครามสั่งนั้นทุกประการจัดเกวียนเวียนวงไว้เป็นขอบกั้นล้อมพวกครัวมีประตูสามด้านดังนั้นแล้วครันเวลาสองทุ่มหรือยามหนึ่งพวกนายทัพนายกองเหล่าสารวนแต่จะหาผู้หญิงไม่สู้จะระวังครอบครัวนักฝ่ายพระยาปลัดพระยายกบัตพระนรงสงครามจึงคิดความลับแก่กันแล้วก็ใช้ให้พวกกรมการ และพวกผู้ชายไปจัดการตามความคิดพระนรงสงครามสั่งไว้นั้นทุกประการครันเวลาสี่ทุ่มวันนั้นพระนรงสงครามจัดให้ท่านผู้หญิงหมูอายุสี่ิปีเศษซึ่งเป็นภรรยาประลัดเมืองนครราชสีมาแต่ชำนิชำนาญในการขี่ช้างขี่ม้ากล้าหารให้เป็นแม่ทัพแม่กองคุมพวกผู้หญิงแต่งกายแต่ล้วนห่มผ้าตะเบงมานผ้าโพกศีสัตมือถือไมห้หลา และไม้กระบอกเป็นอาวุธทุกคนเป็นกองหนุนฝ่ายพระนรงสงครามเป็นนายทัพคุมพวกพลผู้ชายแต่งกายห่มผ้าตะเบงมานผ้าโพกศีตะมือถือไม้เหลา่าไม้กระบอกเป็นกองหน้ากรมการผู้น้อยทั้งหลายเป็นปีกซ้ายปีกขวาพระยาปะลัดเป็นแม่กองขุมกองเวียนครอบครัวซึ่งมีเด็กและคนชรากับสิ่งของเครื่องใช้สอยพระยาพรมยกกระบาดเป็นแม่กอง ขุมพลผู้ชายที่ชะกันเป็นกองกลางเหมือนทัพหลวงขันพระนรงค์สงครามแม่ทัพจัดพวกพลรบพร้อมกันเสร็จแล้วพอถึงเวลาสิบทุ่มเป็นยามเสาเข้าห่วงปลอดได้เพชรเลิกดีตามวิถีกําลังยามราหูเข้าจับจันทพระนรงค์สงครามขึ้นขี่ม้าขาวแสมมือถือหอกและปืนขุมพลผู้ชายเป็นกองหน้าฝ่ายท่านผู้หญิงมูขึ้นขี่ม้าดํา มือถือหอกคุมพลผู้หญิงที่ชะกันสามร้อยคนเป็นกองหนุนเจ้าพระยาประลัดขีกระเบือถือปืนและเหลา่าคุมพลและครอบครัวชายหญิงเป็นแม่กองรักษาเกวียนพระยาพรมยกกระบัิขีกระเบือมือถือปืนและเหลา่าเป็นแม่กองคุมพลกองกลางมีผู้ชายมากครันจัดคนพร้อมทุกทับทุกกองเสร็จแล้วจึงต้อนพลให้ห่ร้องเกลียวก่าวขึ้นร้องกันเสียงเออเกริกเป็นอำนาจทับแล้ว ก็วิ่งออกนอกวงเกวียนเล่นไล่ทะลวงฟันแทงแยงยุดอุตรุษเข้าบุกบัน่นฟันแทงอ้าลาวเป็นอุลมานพวกเราไม่ทันรู้ตัวก็ตายเกลื่อนกลาดตามท้องทุ่งสําลิศจะขนานับไม่ได้โลหิตไหลแดงไปในท้องทุ่งและศบตายซ้อนซับทับกันก้าวไก่เต็มไปในท้องทุ่งสำลิศควรที่จะสังเวชเป็นปฏิกูลด้วยมรณะไทยฝ่ายลาวนายทัพนายกองที่คุมไทยอยู่ห่างไกลเห็นดังนั้น ก็แตกสารเล็ดลอดหนีไปลอดได้บ้างพวกครอบครัวนครราชสีมาฆ่าพวกลาวตายเท่านั้นซากศพลาวสอนรั์ทับกันเกลื่อนกลาบไปในท้องทุ่งสําริดครั้งนั้นประมาณพันเศษพวกครัวเก็บได้เครื่องสภาวุฒและช้างม้าโคกระบือสเบียงอาหารของลาวไว้ได้มากครันสว่างลุ่งขึ้นเวลาเชา้าพระยาปลัดพระยายกกระบัดพระนรงสงคราม สั่งให้กรมการเกณฑ์ไพรไปตัดไม้ไผ่มาตั้งค่ายขึ้นที่ท้องทุ่งมสำมริดค่ายหนึ่งพอจะได้ตั้งรับต่อสู้กับพวกเหล่าที่จะยกมาตามตีครัวเราอีกนั้นตั้งค่ายไว้กันภายภายหลังครั้นตั้งค่ายไม้ไผ่ลงได้แล้วค่ายหนึ่งและยังกําลังทําค่ายอยู่อีกสองค่ายแต่ยังไม่ทันจะตั้งขึ้นได้ก็พอทราบข่าวว่าพวกเหล่ายกมาติดตามตีเราอีก แม่ทัพนายกองสั่งให้เตรียมตัวต่อสู้กับเราอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้ได้อาศัยค่ายไม้ไผ่ที่ทำไว้แล้วนั้นค่ายหนึ่งพอเป็นกำลังบังกระสุนปืนลาวได้บ้างแต่พระนรงสงครามพูดว่าจะรอให้ลาวมาถึงค่ายจึงจะสู้รบกับลาวนั้นเห็นไม่ได้การให้สู้ด้วยอาวุธปืนเถิดไล่คนเข้าฟันแทงให้ใกล้ทีเดียวจึงจะสู้มันได้คันนั้นพวกลาวที่เหลือตายหนีไปได้ ก็ไปแจ้งความตามเหตุที่เสียท่วงทีแก่ไทยให้เจ้าอนุฟังทุกประการเจ้าอนุก็ตกใจจึงสั่งให้ตำรวจหน้าห้าสิบคนขึ้นม้ามาสืบราชการดูพวกครัวจะกำเริบขึ้นเป็นประการใดบ้างฝ่ายพวกครัวก็กำลังตั้งค่ายอยู่นั้นเห็นเหล่าตำรวจขี่ม้ามามากพวกครัวก็นำปืนไปรอบแอบยิงเหล่าตกม้าตายบ้าง พวกตำรวจลาวเห็นพวกไทยไล่ยิงดังนั้นก็ตกใจหนีไปทั้งสิ้นด้วยกันฝ่ายหลวงพิทักษโยธานายกองด่านเมืองนครราชสีมาคุมพลทหารหกสิบคนขึ้นมาถือปืนบ้างถือหลาวบ้างไล่ติดตามฆ่าฟันลาวตำรวจไปจนถึงในป่าใกล้เมืองนครราชสีมาลาวตำรวจตายมากเหลือน้อยที่เหลือตายก็ห น, นีไปแจ้งความกับเจ้าอนุเจ้าอนุจึงสั่งให้เจ้าสุธิสารหนึ่งเจ้ากัมพร้าหนึ่ง เจ้าปานหนึ่งเป็นแม่ทัพคุมพลทหาร 3,600 คนยกไปตีครัวเมืองนครราชสีมาคืนมาให้ได้เจ้าปานคุมทหารมาสี่รอยมายกล่วงหน้าไปก่อนแล้วเจ้าสุทิสารเจ้ากัมพระคุมทหารเดินเท้า3 2 0 0ยกรีบมาตามตีครัวเมืองนครราชสีมาฝ่ายพระยาปลัดพระยายกกระบัตพระนรงสงคราม เห็นเจ้าสุธิสารกับคนไพร่เหลาวยกมามากดังนั้นจึงคุมพลพวกของตนออกสู้รบกับเหล่านอกค่ายจัดให้พวกผู้ชายเป็นปีกซ้ายปีกขวาพวกผู้หญิงเป็นปองหนุนพระนรงสงครามคุมพลผู้ชายเป็นกองหน้าพระยาปลัดคุมพลผู้ชายเป็นกองกลางหลวงรองจ่าเมืองคุมพลผู้ชายเป็นกองปีกซ้ายพระมหาไทยคุมพลผู้ชายเป็นกองปีกขวาท่านผู้หญิงมู คุ้มพลผู้หญิงสามร้อยที่ชะกันไม่สู้ชะกันร้อยหกสิบคนรวมสี่อยหสิคนเป็นกองหนุนหลังให้พระยายกระบัดคุ้มพลชายหญิงครอบครัวอยู่รักษาไขา่แต่ผลที่จะออกรบต่อสู้กับลาวนั้นถืออาวุธปืนดาบหอกที่แย่งทิงลาวได้บ้างถือพระถือหลาและไม้กระบองบ้างที่ไม่มีอาวุธก็ตัดไม้ยาวสองศอกเป็นไม้คว้างกาถือไปสําหรับจะได้คว้างปลาพวกลาวบ้าง ความสามัคคีพร้อมใจกันจึงอาจหารต่อสู้ข่าศึกได้ยกออกนอกค่ายลบกับพวกเราที่กลางแปลงได้รบกันเป็นสามารตรุมบอลยิงฟันแทงกันเป็นอนลามานตายลงด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่พวกเาวาตายมากประมาณสามสี่ร้อยคนขณะรบกันอยู่นั้นพระสุภาพมาตราขี่ม้าเข้าไปตัดศรีรษะราลผู้ดีนายม้ามาได้คนหนึ่งนาศรีรษะนายม้ามาเสียบไว้หน้าค่ายไทย ฝ่ายลรานายทัพนายกองเห็นดังนั้นก็ย่อหย่อนกำลังลงมากไม่ใครจะกล้าหารเข้าต่อสู้กับไทยต่อไปเมื่อเจ้าสุทธิสารเห็นดังนั้นแล้วจึงมีความขันข้นครามเป็นกำลังแล้วสั่งให้แม่ทัพนายกองลาวล่าถอยทัพกลับไปแจ้งความกับเจ้าอนุบีดาว่าครัวต่อสู้รกเข้มแ ข, ข็งแรงนักหนาเห็นมีผลมากเหลือเกินกว่าเมื่อเรากว่าต้อมขึ้นไปนั้น เห็นทีจะเป็นกองทัพเจ้าพระยานครราชสีมายกเพิ่มเติมมาช่วยกันเป็นมั่นคงผู้คนจึงมีมากนะักฝ่ายเจ้าอนุได้แจ้งดังนั้นก็เผ อ, อิญให้คิดหวาดหวัว่นพรั่นใจเกรงกลัวฆ่าศึกไทยไม่อาจสามารถที่จะกล้าหารยกทัพใหญ่ลงมาตีกรุงเทพด้วยเดชะพระบรมมีเป็นมหัศจรรย์ประจักษฝ่ายเจ้ารัชวงศ์กวาต้อนครอบครัวเมืองสระบุรีขึ้นไปถึงเมืองนครราชสีมาแล้ว จึงแจ้งความแก่เจ้าอนุบิดาว่ากว่าต้อนได้ครัวไทย110ครัวจีน220ครัวล่าหมื่นคนเศษเจ้ารัชวงศ์บอกว่าได้ต้อนครัวเดินออกจากเมืองสารบรุรีแต่ณวันอังคารเดือนสามแรมเก้าค่ำและได้ทราบข่าวเล่าลือว่ากองทัพกรุงเทพจะยกขึ้นมาทุกทางและได้ใช้ให้คนขึ้นมา้าลงไปจากลูกค้าทาวเรือถึงบ้านอารัญจิกได้สี่ลำ ไตถามได้ความว่าเจ้านายขุนนางเป็นแม่ทัพยกขึ้นมาตั้งอยู่ที่กรุงเก่าบ้างยกไปทางบ้านนานคร น, นายกบ้างทางปราจีนบุรีและกระบินบ้างได้ความดังนี้ว่ามีทัพกรุงยกขึ้นมาหลายทัพหลายทางดังนั้นเจ้าอนุจึงปรึกษากับเจ้าราชวงศ์และแสนเท้าเพียกหวานนายทัพนายกองว่าเราจะตั้งทัรพรับรองทัพกรุงเทพ อยู่ที่เมืองนครราชสีนานั้นเห็นจะไม่ได้เพราะเป็นทางรวมมากทัพกรุงจะยกมาทางสระ บ, บุรีบ้างทางนครนายกบ้างและทางอื่นอีกหลายทางเราอยู่ที่โคราชนี้รัวจะเป็นศึกกระหนาบจำเป็นจะต้องแยกย้ายไถ่พลไปต่อสู้ให้หลายทางไทยจึงจะได้พระวะพระวง์ทั้งหน้าและหลังจะไม่ประชุมทัพเป็นทัพใหญ่ได้ฝ่ายเราก็จะตีแตกโดยง่าย แต่ทัพหลวงเจ้าอนุนั้นได้ปรึกษาพร้อมกันว่าให้ถอยไปตั้งรับทัพไทยอยู่ที่หนองบวลำพูเห็นจะดีกว่าที่นครราชสีมานี้เจ้าอนุจึงสั่งให้นายทัพนายกองให้เผายุ้งฉางและบ้านเรือนในเมืองนครราชสีมาเสียสิน้นและเผาข่ายของพวกลาวที่ตั้งอยู่นอกเมืองนั้นด้วยทุกข่ายแล้วฟันต้นไม้ใหญ่ในเมืองเสียมากแล้วรื้อกำแพงเมืองนครราชสีมาเสียสองด้าน ไม่ให้ไว้เป็นกําลังแก่ข้าศึกไทยต่อไปได้ทําลายล้างเมืองนครราชสีมาแล้วจึงยกพลกองทัพกลับไปเมื่อณเดือนสี่แรมสิบเอ็ดค่ําแต่เจ้าราชวงศ์นั้นยกทัพใหญ่ขึ้นไปทางเมืองหล่มกวาดต้อนครัวตามรายทางเมืองบัวชุมชัยบาดานเพ ช, ชบูรณ์ไปด้วยฝ่ายเจ้าราชวงศ์ยกกองทัพขึ้นไปตีกวาดต้อนครอบครัวตามหัวเมืองรายทางได้หลายเมืองแล้วยกขึ้นไปถึงเมืองหลุมศักด ตั้งค่ายใหญ่ใกล้เมืองลมศักด์เรียกพระสุริยวงศ์เจ้าเมืองลมศักด์ออกมาเกลี้ยกล่อมให้เข้าเป็นขบถ ด, ด้วยถ้าไม่ยอมจะฆ่าเสียพระสุริยวงศ์ครัวอำนาจเจ้าราชวงศ์ก็ต้องยอมเข้าด้วยเจ้าราชวงศ์ให้พระสุริยวงศ์และแสนเท้าพระยาลาทาทำสัตยานุสัตย์ให้แล้วเจ้าราชวงศ์ให้นายทัพนายกองไปเก็บกวาดศาสตาวุธยุทธัณฑ์ในเมืองลมศัก์สิ้นแล้ว ก็ยกกองทัพเข้าไปตั้งอยู่ในเมืองหลมศัก์จัดการถ่ายสเสบียงอาหารสะสมไว้เพื่อจะไปส่งยังกองทัพบิดาและเตรียมผู้คนไว้พร้อมฝ่ายเจ้าสุทิสารยกกองทัพใหญ่ขึ้นไปถึงเมืองภูเขียวตั้งทัพใหญ่ใกล้เมืองแล้วใช้ให้นายทัพนายกองไปหาตัวเจ้าเมืองให้ออกมาหาแต่ว่าเจ้าเมืองภูเขียวไม่ออกมาหาเจ้าระชวงเจ้าระชวงจึงสั่งให้นายทัพนายกองคุมทหารพันเศษ ยกเข้าพร้นเมืองภูเขียวในวันนั้นได้จับเท้านาคเจ้าเมืองออกมาให้เจ้ารัชวงศ์เจ้ารัชวงศ์สั่งให้ทหารพาเท้านาคไปฆ่าเสียพร้อมทั้งบุตรหลานและญาติที่เป็นชายฆ่าเสียสิ้นแล้วกวาดต้อนครอบครัวชาวเมืองภูเขียวส่งขึ้นไปเมืองเวียงจันทร์สักสามส่วนที่เหนือเข้าป่าไปได้สักสองส่วนฝ่ายเจ้าอนุคิดจัดการจะตั้งค่ายรับสู้รบกับไทยหลายตำบล จะตั้งค่ายใหญ่ที่หนองบัวลพูแห่งหนึ่งจะให้พระยานรินทร์คุมสามพันอยู่เป็นนายค่ายที่นั่นแล้วเจ้าอนุก็จะยกขึ้นไปตั้งค่ายที่ช่องเขาสารแห่งหนึ่งเป็นที่สําคัญเพราะเป็นทางสองแยกรวมจะไปเมืองเวียงจันให้พระยาสุโภกับชานนเป็นนายทัพคุมพลสองหมื่นตั้งรักษาค่ายที่ตําบล น, นั้นให้มั่นคงแต่เจ้าอนุจะตั้งค่ายใหญ่อยู่บนเขาสารแล้วเจ้าอนุ ให้พระยาเชียงสาเป็นแม่ทัพคุมพลห้าพันตั้งรักษาค่ายที่ตำบลสนมแห่งหนึ่งแล้วเจ้าอนุให้กองคำคุมคนสี่พันไปตั้งค่ายอยู่ช่องงวแตกแห่งหนึ่งแต่เจ้าอุปราชนั้นยกไปอยู่เมืองยะโสธรแล้วเจ้าอนุมีหนังสือสั่งให้เจ้าอุปราชยกกองทัพไปตั้งรักษาอยู่ต้นทางสุวรรณภูมิเป็นทางที่ข้าศึกไทยจะยกมาทางกระบินได้ทางหนึ่งเจ้าอนุให้เพียกวานใจหาน คุมทัพมา้าไปตรวจราทุกทัพทุกกองให้เท้าสุขะคุมทัพช้างและโคต่างทรงสเสบียงอาหารและกระสุนดินดำทุกทัพทุกกองแต่แยกย้ายกันเป็นหลายสายเจ้าอนุจัดแจงการตั้งค่ายและแม่ทัพนายกองรับสาด่านทางเป็นมั่นคงแล้วก็ยกจากเมืองนครราชสีมาขึ้นไปตามความคิดทุกประการฝ่ายพระนรงสงครามทราบข่าวว่าเจ้าอนุย ก, กองทัพกลับไปจากเมืองนครราชสีมาแล้ว และเผาบ้านเผาเมืองเสียหมดพระนรงสงครามก็รีบพาครอบครัวกลับคืนเข้าเมืองนครราชสีมาครั้นนั้นบรรดากรมการและไพร่บ้านพนลเมืองที่หลบลีกหนีลาวเข้าป่าดงไปแต่ก่อนนั้นครั้นได้ทราบข่าวว่ากองทัพลาวเลิกยกไปหมดแล้วกรมการผู้ใหญ่ก็มารักษาเมืองอยู่บ้างแล้วราษดรพนลเมืองจึงพาครอบครัวมาอยู่ในบ้านเมืองตามภูมิลาเนาเดิมแต่ยังไม่บริบูรณ์ เพราะล้มตายหายจากกันไปมากนักฝ่ายพระยาปลัดพระยาพรมยกระบาดและพระนรงค์สงครามจางวางสวยทองคําพร้อมกันสามนายและกรมการผู้น้อยด้วยอีกหลายนายเข้าชื่อกันแต่งหนังสือข้อราชการศึกเหล่าตามที่มีเหตุใหญ่น้อยแต่ต้นจนแก้เมืองคืนได้เป็นใบบอกมอบให้หลวงนาลินกับขุนชนะภัยรีเป็นนายกองคุมทหารม้าสามสิบมา ถือใบบอกรีบลงมายังกรุงเทพโดยทางบกตัดทางลงมาตามเขาโน้อยพระฉายรีบลงไปยังกรุงเทพวางบอกยังศาลาเวณมหาไทยให้กราบทูลพระกรุณาฝ่ายที่เมืองนครราชสีมานั้นพระยาปลัดพร้อมด้วยกรมการผู้ใหญ่ผู้น้อยจัดกองทัพสับด้วยเครื่องสัพพวุธพร้อมให้กรมการเป็นแม่ทัพยกออกจากเมืองไปตั้งค่ายมั่นอยู่ที่ตำบลลำพีใกล้หนองบัวลำพู เพื่อจะตั้งรับกองทัพลาวเวียงจันทร์เผื่อว่าเจ้าอนุจะเป็นบ้าสงครามยกกองทัพติดตามมาตีค่ายเราอีกฝ่ายเจ้าอนุทราบเหตุว่าครัวเมืองนครราชสีมาคุมกันเข้าลุกขึ้นเป็นไส้ศึกไล่ฆ่าฟันพวกเหล่าที่กองทัพที่ควบคุมครัวไปนั้นตายพันเศษที่เหลือตายแตกหนีมาได้สองร้อยเจ็สิบสองคนมาแจ้งความให้เจ้าอนุทราบเหตุดังนี้แล้ว ยึงโกโรธนายทัพนายกรองที่คุมครัวไปนั้นกระทำการประมาทให้เสียท่วงทีแก่ศึกไทยได้เจ้าอนุสั่งให้ทหารพาพวกลาวนายไพร่ที่แตกหนีมานั้น272คนไปฆ่าเสียให้หมดตายตามกฎอัยการศึกจึงจะกล้าหาญขึ้นขณะนั้นเจ้าสุธิสารทูลขอชีวิตนายไพราย272คนไว้ให้ทําการแก้ตัวใหม่เจ้าอนุยอมให้ชีวิตแต่พวกไพราที่แตกมา แต่ตัวนายทัพนายกองยีิบเจ็ดคนไม่ยอมให้จึงสั่งให้ทหารนำนายทัพยีเจ็ดคนนั้นไปฆ่าเสียสิ้นในวันเมื่อเดินทัพให้เป็นเลิกด้วยแล้วเจ้าอนุสั่งให้จัดทัพเพิ่มเติมไปอีกมากถึงสี่พันให้พระยาสิทธิเดโชเป็นแม่ทัพหน้าให้เจ้าโอเป็นแม่ทัพหลวงให้พระยาสงครามเวียงชัยเป็นแม่ทัพหนุนรวมสามทัพมีพลเกือบหมื่นเศษแต่ทัพกองเจ้าอนุนั้นเดินทัพไปทางดอนมดแดงเป็นทางอ้อม ไปใกล้ทางป่าแขวงเพชรบูรณ์ฝ่ายทัพพระยาสิทธิเดชและเจ้าโอพระยาสงครามเวียงไัยทั้งสามทัพพร้อมกันแล้วก็รีบยกไปถึงตำบลทุ่งลำพีใกล้หนองบวอัวลําพูตัดไม้ตั้งค่ายลงที่นั่นยังไม่ทันแล้วพอกองทัพพระนรง์สงครามซึ่งตั้งค่ายอยู่ที่ทุ่งลําพีก่อนเห็นลาวยกมาตั้งค่ายยังไม่ทันแล้วพระนรงค์สงครามก็ขับทหารเร่งรีบยกออกจากค่ายไล่โจมตีตัดกําลังสึกเลา่า ลาวยังไม่ทันจะตั้งตัวทันไทยกับลาวรบกันถึงอาวุธสั้นตะลุมบอนตั้งแต่สามโมงเช้าจนถึงเวลาเที่ยงผลทหารลาวอิดโรยหย่อนกำลังล้มตายลงเป็นอันมากเจ้าโอแม่ทัพใหญ่ฝ่ายลาวเห็นดังนั้นจึงสั่งให้ล่าทัพถอยหนีขึ้นไปตั้งค่ายมั่นรับอยู่ที่ตำบลเชิงเขาน้ำพุไกลจากที่ทุ่งลำพีทางสองคืนสองวันฝ่ายพระนรงสงครามแม่ทัพฝ่ายไทยเห็นลาวเลิกล่าถอยไปดังนั้นแล้ว ก็ไม่ได้ติดตามตีทัพเหล่าเพราะทัพเหล่าล่าไปโดยไม่บอบช้ำจึงไม่ตามขี่ม้าพาพลทหารกลับเข้าค่ายแล้วสั่งให้หลวงพลอาสานายด่านจันทึกขึ้นมาคุมทหารมาห้าสิบม้าเร่งรีบไปสืบข่าวทัพเล่า ว, ว่าจะตั้งพักพลรับอยู่ที่ใดให้ทราบการโดยละเอียดมาหลวงพลอาสาขึ้นมานําพลทหารไปสืบข่าวทัพเหล่าได้ความแล้วกลับมาแจ้งข้อราชการกับพระนรงสงครามว่า ได้เห็นลาวล่าไปหยุดพักพนตั้งค่ายมั่นอยู่ที่ตำบลเชิงเขาน้ําพุสามค่ายค่ายตั้งห่างกันประมาณยี่สิบเส้นไม่เห็นชักปีกาถึงกันทั้งสามค่ายค่ายใหญ่ตั้งห่างไกลลําธาร น, น้ําประมาณสิบเส้นแต่ยังไม่ได้ขุดสนามเพราะทุกค่ายและลาวยังกําลังบุกกุีลงมาตามชายป่าเชิงเขาเป็นวงภาคพิจารณาดูท่าทางลาวจะตั้งเป็นค่ายปีกาลงมาตามเชิงเขาอีกหลายค่าย เมื่อดูนั้นได้ขึ้นต้นไม้สูงดูทั่วทุกกองทัพลา่าและกำลังตัดต้นไม้ปิดหนองน้ำลําทางที่ทางเราจะไปนั้นหลายแห่งพระนรงสงครามได้ฟังดังนั้นแล้วจึงว่าพวกเราอย่ากลัวมันไอเรามันปักกลุยหลอกลวงขู่เราเท่านั้นมันไม่อาจจะตั้งค่ายตามที่มันปักกลุยไว้ดอกมันตั้งสามค่ายเท่านั้นเองพอเป็นที่พักพนของมันเพราะมันรักษาพวกมันเท่านั้น ถ้าเราว่ามันจะตั้งค่ายมาตามปุริที่มันตักไว้นั้นก็ยิ่งดีทีเดียวเราจะตีเอาเป็นค่ายของเราเราจะไม่ต้องตั้งค่ายพักคนเราเกิดมาเป็นชายชาติทหารอย่าย่อท้อต่อค้าสึกให้ตั้งใจให้ดีจะได้มีชื่อเสียงอยู่สิ้นกาลนานพระนรงสงครามพูดเท่านั้นแล้วจึงปรึกษาราชการทัพสึกกับพระยาประลับพระยายกกระบาด ต, ต่อไปว่าเมื่อเวลาวานซืนนั้น พวกเรายกทัพเข้าปลข่ายเจ้าโอและพระยาสิทธิเดโชและพระยาสงครามเวียงชชยทั้งสามกองล่าถอยหนีเราไปครั้งหนึ่งผู้คนพลทหารลาวบอบช้ำรัศมรสายล้มตายมากจึงได้ล่าหนีไปพวกลาวคงจะเข็ดขยาดฝีมือไทยบ้างเป็นแน่บัดนี้ถ้าเราตรเตรียมจัดการให้เป็นภูมิฐานตามตำรับกระบวนพิชัยสงครามตามไปตีทัพลาวอีกสักคราวหนึ่งเห็นจะได้ชัยชนะ ถ้าและว่าจะได้ชัยชนะก็คงจะรู้กําลังศึกว่าจะหนักหนาเบาประการใดและจะได้เป็นเกียรติยศที่พวกเราเป็นทหารอยู่เมืองหน้าศึกควรที่จะยกไปป้องกันเขตแดนของพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวไว้ก่อนกว่าจะมีกองทัพกรุงเทพขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะได้มีโอกาสใหญ่ได้ต่อสู้กับลาวครั้งนี้เราจะยกไปถ้าเป็นท่วงทีก็จะได้ชัยชนะถ้าไม่สมความหมาย ก็เหมือนยกทัพไปขับตาทัพปะทะประทางกันฆ่าศึกไว้ไม่มินประมาทปีมือไทยได้ท่านจะเห็นประการใดพระยาพระหลวงนายทัพนายกองก็เห็นชอบด้วยความคิดพระนรง์สงครามพร้อมกันพระนรงค์สงครามจัดกองทัพให้พระพลสงครามกับหลวงกำแหงสงครามเป็นนายทัพคุมทหารยกเดินอ้อมไปในป่าระนามเดินวกออกหลังค่ายลาว แล้วให้ยกเข้าตีไข่เจ้าโอทีเดียวจัดให้หลวงพิพิธพักดีกับขุนศรีนรงค์คุมพลทหารไปตั้งสกัดทางห้วยกรดเพื่อจะรักษาต้นทางที่เราจะยกมาช่วยทางเมืองหนองคายจัดให้พระมหาไทยกับหลวงจ่าเมืองคุมพลทหารเป็นนายทัพยกไปตีไข่พระยาสิทธิเดชโชลาวจัดให้พระสัสดีกับหลวงเสนีพิทักษ์วยหารคุมพลทหารเป็นนายทัพ ยกไปตีไข่พระยาสงครามเวียงไชยลาวจัดให้หลวงวังกับหลวงนาคุมพลทหารเป็นนายทัพยกไปตีไข่าลาวที่ลำธารแล้วจะได้ตั้งรักษาลำธาร น, น้ําที่อยู่ใกล้ห้วยกรดไว้อย่าให้อ้ายลาวมาอาศัยน้ําที่ลำธาร น, นั้นได้จัดให้พระนางรองกับหลวงปลัดเมืองพิมายคุมพลทหารเป็นนายทัพยกไปก้าวสกัดคอยตีต้นทาง อย่าให้เราในค่ายหนีออกมาช่วยค่ายโน้นได้เป็นอันขาดทีเดียวจัดให้พระยาทุกขราชกับหลวงสุรเดชาพระสุภาพมาตราคุมพลทหารเป็นนายทัพกองเสือป่าแมวเสารจัดให้หลวงครังกับขุนเทพโยธาคุมพลทหารม้าเป็นกองร้อยคอยเหตุสืบราชการศึกกับท่านผู้ใหญ่ฝ่ายแม่ทัพที่บังคับการนั้นๆแต่พระยาพรมย ก, กบัตรกับพระนรงค์สงครามเป็นแม่ทัพใหญ่ คุมพลทหารยกออกไปเป็นทัพกํากับและทัพหนุนทัพทั้งปวงเพื่อว่ากองไหนล่าหลอนออกจากค่าศึกจะได้จัดพลยกเข้าเพิ่มเติมช่วยอุดหนุนด้วยแต่พระยาปลัดนั้นจัดให้คุมพลทหารอยู่รักษาบ้านเมืองกับพระยาพักดีผู้ช่วยจัดให้ท่านผู้หญิงมูกับพระยาพักดีนุชิตคุมพลทหารหัวหมื่นขึ้นแก่เมืองราชสีมาเป็นกองลําเลียงท่งสเสบียงอาหารและกระสุนดินดําสําหรับเพิ่มเติมทุกกองทัพได้นัดหมายเวลา และความสัญญาสังเกตเลิกให้นายทัพนายกองทั้งหลายให้คอยดูดวงพระเป็นสัญญาณยกเข้าตีค่ายหลาพร้อมกันทุกทัพทุกกองขั้นจัดทัพเสร็จแล้วต่างทัพต่างก็แยกย้ายกันไปซุ่มทัพอยู่ไกลห่างจากค่ายเหลาประมาณห้าสิบเส้นบ้างหกสิบเส้นเจ็ดสิบเส้นบ้างที่ใกล้ก็มีที่ไกลก็มีต่างๆกันตามที่จะซุ่มทัพได้ครั้นเวลาตีสิบอ็ดทุ่มพระยาพรมยกกระบัต พระนรง์สงครามสั่งให้จุดพุขึ้นตับหนึ่งเป็นสัญญาณฝ่ายในทัพในกรองฝันเห็นดวงพุแล้วก็พร้อมกันต้อนพลทหารโห่ร้องทะลวงฝันบ้างวิ่งตรูกันนําแตะ ท, ท่าบัพขวากหนามบ้างบ้างก็ถอนขวากกระจับผลแตะ ท, ท่าบัพเข้าไปบ้างตั้งค่ายทุบถูนําแผงแตะบางตัวบางปืนเข้าไปใกล้ค่ายเหล่าได้แล้วก็ฟันค่ายเยอะอค่ายเป็นค่ายเข้าไปในค่ายหลาวได้ พลทหารไทยไล่ฆ่าปันแทงยิงปืนแย่งระดมเป็นโกราหุนพลลาวล้มตายลงเป็นอันมากบ้างแหกค่ายหนีไปได้บ้างฝ่ายเจ้าโอและพระยาสิทธิเดโชและพระยาสงขรามเวียงชัยแม่ทัพใหญ่ฝ่ายลาวทั้งสามนายไม่ทันรู้ตัวจะแต่งพลฐานออกต้านทานสู้รบไม่ทันท่วงทีก็ถิงค่ายทั้งสามตำบลแตกหนีไปครั้นนั้นทัพไทยตีค่ายลาวได้สามค่าย ได้ช้างมา้าทันยาหารเครื่องสัพูดปืนใหญ่น้อยไว้มากพระนรงสงครามสั่งให้ทหารนำช้างไปบรรทุกข้าวในค่ายลาวส่งไปไว้ในเมืองนครราชสีมาทั้งสิน้นแต่ค่ายลาวทั้งสามตำบล น, นั้นให้เผาเสียสิน้นไม่ให้เอาไว้เป็นกำลังศึกต่อไปจับได้ลาวที่ป่วยไข้แลล่าหลอนหนีไปไม่ทันนั้นจับได้สองร้อยหกสิบคนพาลาวเฉลยขังไวใช้การในเมือง พระยายกกระบาดสั่งให้กรมการนายทัพนายกองตั้งรักษาระวังด่านทางทุกช่องโดยกวดขันฝ่ายเจ้าอนุทราบว่ากองทัพทั้งสามค่ายนั้นแตกเสียแก่ไทยแล้วจึงสั่งให้พระยานารินทร์ทอคุมพลทหารสามพันยกมาตั้งค่ายรับอยู่ที่ตำบลหนองบัวลาพูแล้วให้เท้าอินทร์เท้าสุนทรคุมพลทหารสองพันมาช่วยเพิ่มเติมรักษาค่ายที่หนองบัวลําพูสมทบกับพระยานารินทร์ทอด้วยเป็นพลห้าพัน 5, 000, แต่เจ้าอนุนั้น ยกพลมื่นเศษขึ้นไปตั้งพักพลอยู่ที่ตำบลทุ่งส้มปล่อยพักพลปกติแล้วสั่งให้ตั้งค่ายมั่นลงที่ทุ่งส้มปล่อยห้าค่ายชักปีกาถึงกันทุกค่ายขุดสนามเพาะปักขวากน้ำตามพิชัยสงครามมั่นคงแข็งแรงแล้วจึงสั่งให้พระยาเชียงขวาเป็นแม่ทัพมีพลทหารรักษาค่ายอยู่ห้าพันแล้วเจ้าอนุก็ยกพลทหารขึ้นไปถึงที่ตำบลเขาสารเป็นทางช่องแคบและเป็นทางแยก เจ้าอนุสั่งให้หยุดทัพพักพนแล้วจึงให้ตั้งค่ายเจ็ดค่ายชักปีกาถึงกันขุดสนามเพราะปักขวากน้ำทำการมั่นคงและตั้งค่ายเมาะปีกาเป็นวงพาดโอบเขาลงไปถึงเชิงเขาสองด้านเป็นที่รับศึกเหมือนประตูเวียงจันทร์ก็ว่าได้ถ้าเสียค่ายที่ตำบลเขาสารช่องแคบแก่ไทยแล้วก็เหมือนเสียเมืองเวียงจันทร์เหมือนกันครั้นเจ้าอนุจัดการตั้งค่ายคูประตูหรบที่เขาสารเสร็จแล้ว จึงสั่งให้เจ้าสุธิสารบุตรผู้ใหญ่ถืออาญาสิทธิ์เป็นแม่ทัพใหญ่ได้บังคับบัญชาทุกทัพทุกกองคุมพลทหารสองหมื่นอยู่รักษาค่ายเขาสารทั้งเจ็ค่ายให้พระสุโภคกับชาณุขุนนางผู้ใหญ่อยู่ช่วยเจ้าสุทธิสารเป็นปีก ข, ขวาและปีกซ้ายให้พระสินทพคุมพลทหารมาห้าร้อเป็นกองคอยเหตุให้พระยาประสิทธิคชาเดชเป็นแม่ทัพกองทัพช้างคุมทหารช้าง400รอยอยู่ช่วยเจ้าสุธิสารสู้รบกับไทย แล้วเจ้าอนุสั่งให้เจ้าโอเป็นแม่ทัพคุมคนฐานห้าพันยกรุดเร่งรีบไปตั้งค่ายปิดทางทุ่งบุกหวานริมฝั่งแม่น้ำโขงถ้าข้ามจะขึ้นไปเมืองเวียงจันทร์ก็ได้ทางนี้เป็นทางฝ่ายตะวันออกแห่งเมืองกระบินแลปาจีนที่ไทยจะขึ้นมาโดยง่ายให้ปิดไว้ให้มั่นคงเจ้าอนุสั่งให้เท้าพิมพิสารคุมคนหกสิบคนขึ้นม้าถือหนังสือไปให้เจ้าหนอคาผู้หลาน ซึ่งยกกองทัพไปตีเมืองเล็กเมืองน้อยข้างฝ่ายเสนือนั้นให้เจ้าหนอคําครีบยกทัพกลับมารักษาค่ายทุ่งส้มปล่อยช่วยกันกับพระยาเชียงขวาเจ้าหนอคําคก็รีบมารักษาค่ายทุ่งส้มปล่อยตามในหนังสือบังคับแต่ครัวที่เจ้าหนอคําคกวาดต้อนมาได้แต่เมืองเหนือนั้นเจ้าหนอคําคใช้ให้เชียงผากับคําเกิดคุมครอบครัวไปส่งยังเมืองเวียงจันทแต่ยังหาทันจะถึงเมืองเวียงจันทร์ไม่พวกครอบครัวมีความเดือดร้อนเพราะถูกคมขู จึงลุกขึ้นพร้อมกันเกิดรบราฆ่าฟันกันกลางทางพวกครัวหนีไปเมืองหลวงพระบางได้บ้างไปเมืองเชียงแสนบ้างไปเมืองเชียงรุงบ้างไปเมืองหลุมสักบ้างไปเมืองพวนบ้างเชียงผาคําเกิดนายทัพกว่าต้อนครัวไปเมืองเวียงจันทได้บ้างบางส่วนที่หนีไปเมืองต่างๆนั้นสักหกส่วนกับเจ้าอนุจัดแจงการป้องกัน ร, รักษาด่านทางเขตแดนเมืองเวียงจันทนั้น ทั้งชั้นนอกและชั้นในเป็นการกวดขันมั่นคงโดยสามารถแข็งแรงยิ่งนักถ้าจะว่าตามธรรมเนียมศึกสงครามถึงอาชญาสิทธ์พมา่าก็สู้อาชญาสิทธ์ลาวไม่ได้เพราะลาวนับถือกันตามเพศเจ้านายเชื้อวงยิ่งกว่าพมา่าลาวจัดการผู้คนศึกตามขาดกว่าพมา่าและลาวครั้งนี้จัดการแข็งแรงเป็นอย่างเอกจะหาศึกอื่นในพงศาวดารหรือจดหมายเหตุเก่าแก่มาเปรียบสู้ศึกนี้ยากนัก ถักแก้วทหารพลช้างม้าก็มีบริบูรณ์เพราะเมืองเวียงจันทร์มีเมืองขึ้นมากช้างม้าก็หาสะสมไว้ช้านานผู้คนก็มีมากเพราะบ้านเมืองไม่ได้เสียแก่ใครเลยสเบียงอาหารหามาส่งกันโดยง่ายเพราะเป็นทางใกล้กันหามาส่งกันได้เร็วเพราะฉะนั้นจึงว่าเจ้าอนุมีพร้อมด้วยพริยะโยธากล้าหารบริบูรณ์หน้าที่จะทําศึกกับเมืองใดเมืองนั้นก็จะอับปราชัยเพราะบริบูรณ์ด้วยกําลังทั้งสี่คือ ผู้คนหนึ่งสเบียงอาหารหนึ่งภาหนะช้างมา้าโคกระเบือหนึ่งทรัพสมบัติหนึ่งบริบูรณ์พร้อมทั้งสี่แต่ปัญญาลาวไม่สามารถจะสู้กับไทยได้กับบารมีไม่คู่ควรใกล้เคียงจะสู้กับกรุงเทพได้จึงแพ้สิ้นทุกทีเพราะสู้พระบรมกฤษดาเดชาพินิหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรุงเทพไม่ได้อาณาสยามยุทธตอนที่สอง งครามทุ่งสำริดโปรดติดตามตอนต่อไป